บทที่6เรื่องนินทาสันเสริญตอนนินทาสันเสริญบรนี้ข้าพเจ้าจะนำท่านเข้าศึกษาเรื่องของโลกอีกเรื่องหนึ่งเป็นลำดับที่สามคือนินทากับสรรเสริญโลกธรรมคู่นี้เคยทำความยุ่งยากมากมาแล้วในตอนก่อน เกี่ยวกับการจัดประเภทโดยที่ทั้งสองอย่างเป็นทั้งอิทธารมเป็นทั้งอนิฐารมอยู่ในตัวอุปมาเหมือนคนสองเพศดูให้เป็นชายก็ได้ดูให้เป็นหญิงก็ได้นินทากับสันเสรญนี้ก็เหมือนกันจะว่าอันไหนเป็นฝ่ายคนชอบอันไหนเป็นฝ่ายคนเกลียดพอจะได้ทั้งสองอย่างนินทา จะว่าคนไม่ชอบเด็ดขาดลงไปทีเดียวก็ไม่ถูกเพราะนินทานั้นคนเราไม่ชอบรับแต่ชอบให้แม้ที่ว่าไม่ชอบรับนั้นก็ไม่ค่อยแน่นักทั้งๆ ท, ที่ไม่ชอบให้เขานินทาแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขานินทาตัวว่าอย่างไรถึงกับยอมเสียมารยาทไปแอบฟังเขานินทาตัวเองก็มี ข้างฝ่ายสันเรินที่ว่าชอบนักชอบหนาความจริงก็ชอบแต่รับไม่ชอบให้นี่เป็นความยุ่งยากทางตำราได้ว่ามาแล้วในตอนก่อนมาถึงตอนนี้ออกพระออกนางแล้วเอาเป็นว่าไม่พูดรัดเข้าหาธรรมะเลยดีกว่าตอนอิทธิพลลมปาก นินทาก็ดีสัรเสริญก็ดีเป็นเรื่องลมปากดูไปก็ไม่น่าจะมีอะไรสำคัญนักหนาเพราะใครๆที่มีปากก็พูดได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องเสียภาษีอากรแต่เมื่อเล็งถึงผลที่จะเกิดขึ้นเราจึงจะเห็นว่าลมปากของคนมีอิทธิพลมากร้ายแรงยิ่งกว่าลมใต้ฝุ่นเสียด้วยซ้า มันออกจากปากน้อยๆแล้วเข้าไปพัดหัวใจคนอื่นให้มีการโยกเยกอ่อนไหวไปตามลมแผ่วๆนี่แหละที่พัดให้คนรักกันก็ได้พัดให้คนมีอันเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ได้พัดให้คนที่ทอดอะไรตาอยากแล้วกลับกินได้นอนหลับก็ได้เหมือนกันพัดคนดีๆให้เกิดอยากตายก็ได้ รวมความว่าลมปากของคนเ่านี้มันอาจทำให้อะไรเป็นอะไรไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าจึงว่าลมปากของคนร้ายแรงกว่าสารพัดลมในโลกและเป็นการยากที่เราจะเตรียมป้องกันเหมือนลมใต้ฝุ่นเพราะเกาะตัวขึ้นในทะเลจีนกรมอุตุนิยมของไทยเราก็ออกประกาศให้ทราบแล้วว่า ลมใต้ฝุ่นจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นตรงนั้นชื่อว่าอย่างนั้นายโฉมหน้าไปทางนั้นความเร็วเท่านั้นน็อตบอกเสร็จอย่างเช่นคราวที่แล้วคือปี2496ท่านก็ประกาศทางวิทยุดูเหมือนจะทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุกสิบห้านาทีจำไม่ได้เสียแล้ว ทันว่ามีลมไต้ฝุ่นลูกหนึ่งชื่อทริกเดินทางบ่าชมหน้าเข้ามาเมืองไทยถึงตรงนั้นแล้วถึงตรงนี้แล้วเรียกว่าบอกให้เราทราบทุกระยะซึ่งเป็นผลดีแก่ประชาชนพลเมืองมากได้เตรียมตัวป้องกันกันเต็มที่แต่ลมปากของมนุษย์นี่สิเป็นวาตภัยที่ทั้งร้ายแรงทั้งลึกลับจนกรมอุตุก็หมดความสามารถ บอกไม่ได้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนหรือยังแล้วจะบ่ายโฉมหน้าไปทางไหนความเร็วกี่น็อตรู้ไม่ได้ทั้งนั้นจะรู้อีกทีก็โน่นละพลาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้วตอนเสียงว่าข้างธรรมะเสียงที่ดังมากระทบหูเราในวันหนึ่งๆนนั้นมีอยู่สามชนิดด้วยกัน คือเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์เสียงคนเสียงชนิดแรกคือเสียงธรรมชาติเช่นเสียงลมพัดเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงน้ำไหลเสียงฟ้าร้องเสียงต้นไม้เสียดสีกันและอื่นอีเสียงเหล่านี้เป็นเสียงบริสุทธิ์คือไม่มีความหมายอย่างอื่นแฝงอยู่ มันเป็นไปตามธรรมชาติแ ท, แท้เพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้จึงไม่มีความหมายสำคัญสำหรับคนเราหนวกหูก็หนวกเฉยๆที่จะทำให้เกิดความรักความชังดูจะเป็นไปได้น้อยพูดง่ายๆคือไม่ถึงกับทำให้ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เสียงชนิดที่สองคือเสียงสัตว์เช่นเสียงไก่ขันเสียงนกร้อง เสียงหมาเห่าและอื่นๆเสียงเหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่าเสียงธรรมชาติแม้ว่ามันจะดังน้อยกว่าเช่นยามกลางคืนเรากำลังนอนฟ้าร้องคลืนๆก็ลากผ้าหมคลุมโปงหลับได้สบายแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเจ้าหมาได้ตุ่นบ้านมันเกิดเห่าหอนขึ้นเราจะหลับด้วยความลำบากมาก หรือหลับไม่ลงเลยนอกจากหนกหูแล้วยังมีความรักรักเด็กเกลียดขึ้นในใจอีกด้วยที่เป็นดังนี้เพราะเจ้าของเสียงต่างกันฟ้าไม่มีใจร้องเท่าไหร่ร้องไปส่วนหมามีใจร้องมากกวนโมโหเสียงชนิดที่สคือเสียงคนเช่นเสียงพูด เสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงสอื้นเสียงร้องเพลงและอื่นๆอีกรวมทั้งเสียงที่คนทำให้มันเป็นเสียงขึ้นเช่นเสียงปีเสียงกลองและอื่นๆเสียงเหล่านี้มีความหมายครอบงำใจคนเราได้มากกว่าทุกเสียงและสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้ได้ยินได้มากที่สุด ในตัวอย่างที่ว่ามาแล้วต่อให้มีฟ้าร้องทั้งหมาเห่าถ้าในขณะนั้นมีใครมายืนตะโกนอยู่หน้าบ้านใจของเราก็หันไปสู่เสียงคนทันทีได้จะเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นในใจมากกว่าที่ได้ยินเสียงธรรมชาติได้เสียงสัตว์ต้องระวังให้ดีเสียงดังแผ่วๆค้าคาขาขาหรือ ขอรับครับผมนี่แหละสำคัญนักพัดเอาคนพลัดตกเก้าอี้ไปแล้วไม่ใช่น้อยรวมความว่าอิทธิพลของลมปากมนุษย์นี้มันบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจของคนเราได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเชิญศึกษาต่อไปตอน นินทาคําว่านินทาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าติเตียนไม่ใช่ติเฉยเฉยติตรงกับคําว่าตำหนิคือชี้ข้อบกพร่องให้ผู้ผิดกลับเนื้อกลับตัวอย่างนี้เรียกว่าติไม่ใช่นินทาส่วนนินทาได้แก่ติเตียน ติอย่างไรเรียกว่าติเตียนก็คือติจนเตียนติจนเรียบราบไปเลยบางทีเราเรียกว่าติฉินก็หมายความว่าติเตียนนั่นเองการติธรรมดาอย่างผู้ใหญ่ตดผู้น้อยแม้จะรุนแรงอย่างไรก็มีความหวังดีอยู่ส่วนติเตียนนั้นไม่มีความหวังดีเหลืออยู่เลยติทิ้งติคว้าง ตีจนราบติจนเตียนเรียกว่าตีเตียนการกระทําที่เรียกว่านินทาหรือตีเตียนนั้นก็ได้แก่การพูดถึงความไม่ดีไม่งามของคนอื่นในที่รับหลังเขาโดยไม่มีเจตนาจะให้เขากลับแก้ตัวจากการพูดนั้นโปรดทําความเข้าใจให้ดีไม่เช่นนั้นความเห็นจะขวะึ้นซ้ำอีกที นินทาคือการเอาความบกพร่องหรือความผิดพลาดของคนใดคนหนึ่งมาเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังโดยเจ้าทุกไม่ได้อยู่ในที่นั้นด้วยแต่เนื้อแท้ของการนินทาอยู่ที่เจตนาของผู้นินทานั้นไม่มุ่งประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเลยเช่นจะมุ่งให้ผู้ผิดรู้สำนึกเพื่อแก้ตัวให้ดีขึ้นก็เปล่า จะมุ่งเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ฟังให้สังวรระวังก็เปล่าพูดง่ายๆคือไม่มีเจตนาจะมุ่งประโยชน์จากการพูดข้อบกพร่องของคนอื่นนั้นเลยจึงจะเรียกว่านินทาโปรดย้ำอีกนิดว่าพูดถึงความดีของเราไม่ใช่การนินทาพูดถึงความชั่วของเขาต่อหน้าผู้มีความชั่วนั้น ก็ไม่ใช่นินทาพูดถึงความชั่วของตัวเองก็ไม่ใช่นินทาพูดถึงความชั่วของเขาลับหลังเขาโดยที่เรามีเจตนาดีต่อเขาอยู่เช่นเราเห็นคนหนึ่งทำความผิดจะบอกตัวเขาตรงๆก็เกรงจะไม่ได้ผลจึงเล่าให้ผู้ปกครองเขาฟังหรือเล่าให้เพื่อนเขาฟัง เพื่อห้เสียงนั้นสะท้อนไปถึงหูผู้ผิดเขาจะได้กลับแก้ตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่นินทาเอาความผิดพลาดของคนหนึ่งมาเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังเพื่อเป็นตัวอย่างแก่การอบรมสั่งสอนเช่นเล่าเรื่องเทวทัตทาชั่วให้ลูกศิษย์ฟังอย่างนี้ไม่ใช่นินทาพระเทวทัตเพราะผู้เล่าไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพระเทวทัต แต่ต้องการพูดให้ผู้ฟังเห็นตัวอย่างความชั่วเท่านั้นเรื่องการนินทาพิสดารอยู่ถ้าจะเขียนเป็นตำราด้วยศิลปะแห่งการนินทาหรือปัชญาแห่งการนินทาก็คงได้หนังสือเล่มโตทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครแต่งขึ้นขายสักทีเห็นจะเป็นเพราะว่าการนินทาไม่จะเป็นต้องเรียนจากตำราไม่ต้องมีใครสอน มันเป็นเองโตพอพูดได้จำความได้ก็นินทาได้แม้แต่ท่านที่อ่านหนังสือนี้แล้วไปเที่ยวโพวนธนาผู้แต่งเท่านี้ก็สำเร็จเป็นการนินทาได้แล้วถึงไม่มีตำราไม่มีโรงเรียนคนก็นินทากันอยู่เต็มเมืองแล้วถ้าขืนมีตำรามีโรงเรียน ผู้คนคงจะอายุสั้นเข้าอีกคนละหลายปีเพราะจะโดนนินทาทั้งสิบทิศ ต, ตอนนินทากาเลเหมือนเทน้ำผมเคยร่ำเรียนมาว่าคำว่านินทานี้เป็นภาษาบาลีเดิมจริงๆเป็นนินทะอยู่ในประเภทคำกริยาคือบอกอาการของน้ำยางได้อย่างหนึ่ง บางทีก็ใช้เป็นพวกคำคุณหรือคุณนามเวลาใช้ก็แปลงสระหลังสั์ให้เข้ารูปกับนามกำกับอยู่เช่นเข้ากับคำว่าอุทะกังก็แปลงเป็นนินทงังในวงเล็บนินทังอุทะกังในที่นี้เข้ากับคำนามว่าวาจาก็เลยกลายรูปเป็นนินทา ในวงเล็บนินทาวาจาที่พูดนี้พอพูดให้คิดเล็กๆน้อยๆท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งตกอกตกใจคิดว่าหยิบหนังสือผิดกลายเป็นหนังสือสอนวยากรที่เคยเบื่อหน่ายกันมาแล้วนินทาแปลว่าไหลคือไหลเหมือนน้ำไหลเพราะฉะนั้นนินทาวาจาก็แปลว่าคำพูดที่ไหลไป หรือวาจาที่ไหลไปคาภาษิตของไทยเราก็มีเช่นว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำท่านผู้ฟังเคยคิดดูหรือเปล่าว่าทำไมท่านจึงเอาคำนินทาไปเปรียบกับเทน้ามันเหมือนกันได้อย่างไรที่ว่าเหมือนเทน้านะ่ะเหมือนตรงไหนเหมือนกับคนเทหรือเหมือนกับน้ำหรือเหมือนกับกระบอกใส่น้ำ ลองคิดดูสิความจริงที่ท่านเอามาเปรียบกันนั้นเปรียบตรงที่ไหลคือตรงที่มันไหลออกจากปากกระบอกนะ่ะอย่าลืมว่านินทะแปลว่าไหลนินทาวาจาจะแปลวา่าวาจาที่เปรียบเหมือนน้ําไหลก็แปลไดนน้น้ํานิ่งๆเฉยๆก็เปรียบกับนินทาไม่ได้เปรียบกันได้ตรงที่มันไหลเท่านั้น การที่ท่านเอาคำนิมทาไปเปรียบกับเทน้ำนับว่าเป็นการผูกคำเปรียบที่ฉลาดมากท่านจะบอกให้เรารู้ว่าการนิมทาเหมือนกับน้ำไหลนะเท่านั้นเองนิมทากับน้ำไหลเหมือนกันอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาประการที่หนึ่งน้ำไหลไม่เป็นของใครคือน้าไหลเช่น น้ำในห้วในคลองหรือในแม่น้ำที่มันไหลเรื่อยๆว่างๆลองไปนั่งดูสิเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำปราจีนหรือแม่น้ำอื่นๆก็มีประการแรกน้ำในแม่น้ำที่ไหลมาเรื่อยๆอย่างเช่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ไหลผ่านมาตั้งหลายเมือง จะว่าเป็นน้ำของที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันไหลไปเรื่อยพวกปากน้ำโพจะว่าเป็นน้ำของชาวนครสวรรค์ก็ไม่ได้ประเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปชัยนาธพวกชัยนาธจะถือว่าเป็นน้ำของพวกชัยนาธก็ไม่ได้ประเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปเมืองสิงห์เมืองปทุมเมืองนนจนกระทั่งถึงกรุงเทพ แล้วก็เลยผ่านดะลงไปจนกระทั่งถึงเมืองพระประแดงเมืองสมุทรปราการแล้วเลยออกทะเลไปน้ำไหลยอย่างนี้ชาวเมืองไหนจะถือว่าเป็นน้ำของตัวไม่ได้เพราะมันไหลผ่านไปเรื่อยเช้าลงไปดูที่ท่าก็เห็นน้ำกลางวันลงไปดูก็ยังอยู่เย็นลงไปดูน้ำก็อยู่แต่ความจริงน้ำที่เราเห็นเชา้ากลางวันเยน็น นั้นไม่ใช่น้ำเดียวกันเพราะมันเป็นน้ำไหลไหลผ่านไปทุกขณะตกลงว่าน้ำไหลต่างจากน้ำนิ่งคือมันไม่เป็นของใครแน่นอนไม่จริงจังกับใครเช้าเป็นของเมืองสิงห์กลางวันเป็นของเมืองปทุมเย็นเป็นของเมืองนอนอย่างที่ว่าแล้วนั่นแหละคำนินทางก็เหมือนกัน ถือเป็นแน่นอนอะไรก็ไม่ได้แม้แต่ตัวคนผู้เป็นนักนินทาผู้ใดจะถือว่าเป็นมิตรของตัวแน่ก็ยากไว้ใจไม่ได้เลยว่าเขาจะไม่นินทาเราเพราะปกติของคนชอบนินทาคนอื่นเมื่อเขามาหาเราเขาก็เอาคํานินทาคนอื่นมาฝากเราคำท่าว่าในโลกนี้เขาไว้วางใจแต่เราคนเดียวเท่านั้น ทำเป็นกระซิบกระซาบไม่ให้แม้แต่จิ้งจกทุกแกได้ยินแต่เปล่าพอจากเราไปเขาก็เอาเรื่องของเราเป็นสเสบียงนินทาให้คนอื่นฟังต่อไปนี่หนึ่งละที่ว่าคำนินทาเหมือนน้ำไหลน้าไหลย่อมไม่อิ่มต่อของโสโครกผ่านที่ไหนก็ซ้อเอาสิ่งโสโครกที่นั่นไปด้วย ยิ่งไหลานานไหลไปไกลก็ยิ่งเต็มไปด้วยของสกปรกเพราะมันซาะมาเรื่อยส่วมเอยเล้าหมูเอยเล้าไก่เอยกกองขยะเอยเรื่อยลงมาตั้งแต่โนทนปิงวังยม น, น่านดะมาเรื่อยจนกว่าจะมาถึงกรุงเทพท่านเอยแยกทาดไม่ออกเลย ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมกี่มากน้อยอย่างนั้นแล้วยังไม่พอยังซาะต่อไปอีกเอาสิ่งโสโครกจากพวกบางกระบือสามเสนไปฝากพวกท่าพระจันทร์กว่าจากท่าพระจันทร์ไปฝากพวกท่าเตียนถนนตกน้นหล่ะพระประแดงปากน้ำน้ำไหลไม่อิ่มด้วยของโสโครกฉันใด คนที่นินทาก็ไม่รู้จักอิ่มด้วยความเสียหายของคนอื่นฉะนั้นแหมยิ่งรู้เรื่องความผิดพลาดเสียหายของใครๆไว้มากๆยิ่งดีจะได้มีสินค้าไว้ในสต็อกเยอะแยะนั่งที่ไหนก็ประดังออกมาให้คะแนนไม่ทันนี่ข้อเหมือนกันอีกข้อหนึ่งระหว่างนินทากับน้ำไหล คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้จักอิ่มด้วยของเสียเหมือนกันข้อเหมือนประการที่สามคือน้ำไหลไว้ใจยากว่าจะสะอาดเสมอไปเพราะมันพัดมาไม่เลือกนึกเอาเองก็แล้วกันใครจะกินจะอาบน้ำไหลต้องรับผิดชอบตัวเองบางทีก็ถ่องร่วงบางทีเป็นหิดเป็นกลาก อย่างทุกวันนี้พลาดท่าเลยเป็นโปลิโอตายเลยคำนินทาก็เหมือนกันเป็นคำที่ไม่สะอาดเพราะคำนินทาแต่ละคําที่เปล่งออกมาล้วนแต่ปรุงด้วยของเน่าของเสียคือความผิดพลาดอปยศอดสูของใครๆทั้งนั้นถ้าใครหลงเชื่อเข้าไปก็เหมือนกินน้าไหลในแม่น้ำนั่นเองไม่รู้ว่ากลื่นเชื้ออะไรเข้าไปบ้าง นี่ก็คือข้อคล้ายกันระหว่างนินทากับน้ําไหลอีกอย่างหนึ่งเท่านี้ก็เห็นจะพอแล้วทั้งน้าไหลทั้งคำนินทามีอันตรายด้วยกันทั้งนั้นระวังยากเอาใจยากเพราะเขาหากินทั้งนั้นคือการเก็บเอาเรื่องของคนอื่นไปนินทาแม้แต่เวลาเขาเอาเรื่องใครๆมานินทาให้เราฟัง ถ้าเราทำเป็นไม่เอาใจใส่ไม่สนใจกับคานินทาของเขาเขาก็เอาเราไปนินทาที่อื่นต่อไปอีกว่าคนอะไรเราอุตส่าห์เอามานินทาให้ฟังก็ไม่อยากฟังคือเขานินทาคนที่ไม่ชอบฟังนินทาคอยสังเกตดูเถอะ